มีในสมัยหนึ่งที่พระเจ้าพระเสน์ที่โกศลได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตั้งแต่ยังหัววันในที่นั้นพระเจ้าพระเสน์ที่โกศลได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคจ้าว่าแต่พระองค์ผู้เจริญมีเคราะหบดีผู้หนึ่งเป็นเศรษฐีในกรุงสาวิตีนี้แต่ว่าเขาได้ถึงแก่กรรมแล้ว ข้าพระองค์ได้ให้ขนทรัพย์สมบัติของเขาที่ไม่มีบุตรมารับมรดกไปให้ขนสมบัตินั้นมาในพระราชวังแล้วจึงมาเฝ้าในที่นี้เฉพาะเงินเท่านั้นมีตั้ง8ดล้านส่วนเครื่องเงินไม่ต้องพูดถึงอันหนึ่งขา้าพเผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารอย่างนี้คือบริโภคปลายข้าว กับน้ำผักดองได้ใช้ผ้าคเครื่องนุ่งห่มคือเป็นลักษณะผ้าเนื้อหยาบทั้งสามชิ้นมาเย็บต่อกันใช้ยานพานะที่เป็นรถเก่าๆกั้นร่มก็ทำด้วยใบไ ม, ม้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระพเจ้าเปอร์เซนที่ก่อสนอย่างนี้ว่ามาบบิตข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้น ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีได้โภคทรัพย์มากมายแล้วไม่ทําตนให้มีความสุขอิ่มหนำไม่ทํามารดาปิดาให้ได้รับความสุขอิ่มหนำไม่ได้ทําบุตรภรยาทาตกรรมกรหรือมิตรอมตให้ได้รับความสุขอิ่มหนำไม่ได้ตั้งทักษิณาทานอันมีผลเลื่อนในเบื้องบน มีสุขเป็นวิบากเป็นไปปรามเพื่อสวรรค์แกสมณะปรามทั้งหลายโภคทรัพย์เหล่านั้นของเขาที่มีได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้ประราชาทั้งหลายก็ริบไปบ้างโจรทั้งหลายก็ปล้นไปบ้างไฟก็ไหม้ทำลายบ้างน้ำก็พัดพาไปบ้างาญาติทั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักก็นำไปบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้ โอ้เขาทราบเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยเขาย่อมเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยมหามพิตเหมือนกับในถิ่นของอมนุษย์ที่มีสะโบกรณีที่มีน้ำใสเย็นจืดสนิทใสสะอาดมีท่าน้ำที่ราบเรียบเป็นอันดีน่าเลือนใจแต่น้ำนั้น คนไม่ตักเอาไปดื่มไม่ได้อาบไม่ได้นำมาใช้ตามที่ต้องการเมื่อเป็นเช่นนี้น้ำที่ไม่ได้ใช้ใสโดยชอบนั้นก็พึงเสียไปเปล่าๆโดยไม่ได้ใช้ใสชาในากณะนั้นอาสัตว์บุรุษคือคนไม่ดีได้โภคทรัพย์มากมายแล้วไม่ทำตนให้มีความสุขหิมนำ้ำไม่ได้ทำมาดาปิดา บุตรภรยาทาสกรรมกรมิตรอมาตให้ได้รับความสุขอิ่มหนำไม่ได้ตั้งทักษิณาทานไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโคศัระ์ัเหล่านั้นก็ย่อมเสียไปเปล่าๆโดยไม่มีการใจสอยมาฮัะพิธส่วนสัตบุรุษคือคนดีมีปัญญาที่ได้โคลกรัพย์มากมายแล้วก็ทำตนให้เป็นสุข หอิมหนำหัมมานดาบิดาให้ได้รับความสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาทาสกรรมกรมิตรอมาดให้ได้รับความสุขยิมหนำและตั้งทักษิณาทานอันมีผลเลิศในเบื้องบนมีผลเป็นความสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์และนิพพานแก่สมณพราหมทั้งหลายโปรดกระซั์ที่เขาใช้สอยโดยชอบอยู่อย่างนี้ พระราชาทั้งหลายก็ริบไปไม่ได้โจนทั้งหลายก็ปล้นเอาไปไม่ได้ไฟก็ไม่ไหม้ทำลายได้น้ำก็พัดพาไปไม่ได้ต า, าติทั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักก็นําไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้โวคทราบเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้ก็ย่อมมีการใช้สอยไม่เสียเปล่า เหมือนกับในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมมีสาบโอกรณีที่มีน้ำใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำอันราบเรียบน่าเพลินใจน้ำนั้นคนก็ต่างไปใช้สอยบ้างใช้ดื่มบ้างใช้อาบบ้างตามตามที่ต้องการบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้น้ำที่ใช้สอสอยู่โดยชอบ ชื่อว่ามีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่าและเมื่อได้ตรัสพุทธธรรรัสนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบคือคาถาสืบไปว่าน้ำเย็นในถิ่นอะมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้สอยย่อมเหือดแห้งไปฉันใดทรัพที่คนชั่วได้แล้วตนเองไม่ได้ใช้และไม่ให้คนอื่นใช้ก็เสียไปเปล่าฉะนนั้น ส่วนวิญโยชนผู้มีปัญญานั้นได้โปคาแล้วย่อมใจใสยและประกอบกิจการงานเขาเป็นคนอาหารเลี้ยงดูหมูญาติไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์มีในอีกสมัยหนึ่งที่พระเจ้าระเชษฐ์ที่กุศลได้เข้าไปในเมืองสาวถีให้คนขนสมบัติ ของเศษรษฐีกระดาบดีผู้ที่ไม่มีบุตรให้มาเก็บไว้ในคลังหลวงเราจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบตุนเรื่องนี้ให้กลับพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังตามในยะดังที่กล่าวแล้วคือเศรษฐีนี้มีเงินทองถึง10ล้านแต่บริโภคอาหารคือปลายข้าวกับน้ำผักดองได้ใช้เครื่องนุ่งหม่ม คือเป็นผ้าเนื้อหยาบสามชิ้นเย็บต่อกันได้ใช้ยานพานะเป็นรถเก่าๆที่เทียมด้วยไม้ไผ่และมีกั้นร่มที่ทำด้วยไม้ไม้ในที่นั้นพระผู้มีพระ้าคได้ตรัสกับพระเจาเปรซันที่โกสนอย่างนี้ว่ามาหัาปิตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องเคยมีมาแล้ว คือขราชกาผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้สั่งให้จัดเตรียมบินทบาทเพื่อถวายพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่นามว่าตากขรสิขีสั่งด้วยคำอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารบินทบาทแก่สมณะผู้นี้ตังนี้แล้วตัวเองก็ลุกจากอสนะเดินจากไปภายหลัง ได้มีความคิดเสียดายว่าอาหารบินดบัด ท, ที่เราให้แก่สมนานี้ควรจะให้ธาตุหรือกรรมกรบริโภคแล้วยังจะดีเสียกวา่านอกจากนี้ขรบบรเบดีเศรษฐีนั้นยังปลงชีวิตลูกน้อยคนเดียวของพี่ชายเพื่อจะได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดเป็นของตนมาบพิษด้วยผลของกรรมที่ขรบบรเบดี ผู้เป็นเศรษฐีนั้นสั่งให้จัดเตรียมอาหารบิณฑบาตถวายพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนามาตคราสิกีเขาจึงบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เจครั้งและด้วยเศษของผลกรรมดีนั้นเหมือนกันเขาจึงได้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้ถึงเจ็ครั้งนั่นแหละมาบอพิษส่วนผลของกรรม กระบาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถวายอาหารบินดบาตแล้วแต่ภายหลังกลับมีความคิดเสียดายว่าอาหารบินดาบัดนี้ควรจะให้แก่ทาทหรือกรรมกรบริโภคน่าจะดีสิกวา่าเขาจึงไม่คิดอยากบริโภคอาหารอันมากมายไม่คิดอยากใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มอันมากมายไม่คิดอยากใช้ยานพานะ อย่างโออาไม่คิดอยากบริโภคกรรมคุณทั้งห้าที่ดีๆ ม, ม, ม, มาประเพ็ดหนึ่งด้วยผลของกรรมที่กรบดีผู้เศรษฐีนั้นปลิดชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะว่าหวังทรัพสมบัติเป็นเหตุเขาจึงถูกไฟเผาอยู่ใ น, นรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี หลายแสนปีและด้วยเศษผลของกรรมนั้นเหมือนกันทรัพย์สมบัติของเขาจึงไม่มีบุตรรับเอาไปก็ถูกขนเข้าคลังหลวงนี้เป็นครั้งที่เจ็ดมาประปิศก็บุญเก่าของกระับดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สะสมไว้ในวันนี้ กระด้บีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถูกไฟเผาอยู่ในมหาโรรุวะนรกข้ะแต่พรงค์ผู้เจริญกระดับาีผู้เป็นเศรษฐีบังเกิดในมหาโรรุวะนรกอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าเป็นอย่างนั้นมหม า, าปิพิษกระดับาีผู้เป็นเศรษฐีนั้นบังเกิดในมหาโรรุวะนรกแล้วเมื่อจบพุทธนานวัตนี ได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบคือคถาสืบไปว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทาสกรรมกรคนรับใช้และผู้อาศัยที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นเขานำไปไม่ได้จำต้องละทิ้งไว้ทั้งหมดอันหนึ่ง บุคคลทำกรรมใดทางกายทางวาจาหรือทางใจกรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำกรรมนั้นไปได้อหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นประเหตุ น, นั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้า พระบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ตั้งหลายในโลกหน้าและนี่คือรายการธรรมารา บ, บรุนทางสตานีวิยยทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนไหสโสประสูติเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก อยู่ในหมวดที่เรียกว่าสังยุตตานิายถ้าไปหาอ่านก็จะได้ข้อมูลกันเล่มที่15แล้วก็ที่386้แต่เผื่อเป็นฉบับของมามงกุฎที่มีอัตากถาด้วยก็จะเป็นเล่มที่24่ถ้าเป็นฉบับของมหาชุลาหรือว่าของสยามรัฐก็จะเป็นเล่มที่15แต่แต่ข้อนั้นจะตรงกันก็คือข้อที่386ร้ได้พูดถึง เรื่องของเศรษฐีมีเศรษฐีอยู่สองคนด้วยกันคนหนึ่งก็ตายวาระหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ตายอีกวาระหนึ่งแต่ว่าเศรษฐีทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้มีบุตรสืบทอดวงตระกูลแต่ไม่เงินทั้งหมดทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆที่มีอยู่นั้นเมื่อพ่อแม่ตายไปก็ต้องเข้าคลังหลวงประชาเปอร์เซนที่เกาสก็เลยไปเก็บทรัพยบของเศรษฐีทั้งสองนี้มาเข้าคลังหลวง บลาวาระการในแต่ละวาระนั้นก็ไปหาพระบรุทรเจ้าแต่ซึ่งปกติเวลาที่พระราชาจะไปหาพระบรุตรเจ้าก็จะไปเวลาที่หลังจากเลิกงานแล้วแต่ก็จะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ําไปอย่างนั้นแต่ว่าในวันนั้นในที่ไปเก็บทรัพย์ของเศรษฐีในเมืองเนี่ยก็เลยหลังจากเก็บทรัพย์เรียบร้อยแ้่ก็คงเป็นช่วงในเวลากลางวันก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปหาพระบรุตรเจ้าแล้วก็ได้เล่า เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของเศรษฐีสองคนนี้ให้พระพุเจ้าฟังที่น่าสนใจในที่น่าประหลาดใจก็คือว่าเศรษฐี2คนนี้ก็มีเงินมากคนหนึ่งมี8ล้านคนหนึ่งมี10ล้านแต่ถ้าคิดดูในสมัยก่อนนั้นก็มากอยู่นะแต่ถ้ามาในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นหลายพันล้านมีเงินอยู่เป็นหลายๆลายล้านอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีบุตรสืบสกุล มีข้อสังเกตอหนึ่งที่ประเจ้าเปรตที่โกศลเห็นในเศรษฐีทั้งสองนั้นก็คือว่าก็มีชีวิตอยู่อย่างจะพูดง่ายๆก็แรงแค้นว่างนันเถอะนี่นตยตายอดตายยากเนี่ยทำไมกินข้าวปลายข้าวเนื้อปลายข้าวก็คือข้าวที่มันหักออกแล้วเ น, นเหลือปลายข้าวข้าวเม็ดดีๆเม็ดเต็มๆ เ, เ, เนี่ยไม่กินนะครับมากินปลายข้าวแล้วกับข้าวนี่ก็เป็นน้ําดองผักน้ําผักดองจำไว้วางค์ นึกถึงน้ำผักดองที่มันเปรี้ยวๆเค็มๆอย่างเงี้ย ก, ก, กินกันกับปลายข้าวคือว่าเป็นอาหารของคนชั้นต่ำเป็นอาหารของคนที่อันตรคัดขัดสนแต่ถ้าคนดีๆคนที่เขามีอันจะกินเนี่ยเขาก็จะกินข้าวเม็ดเต็มๆและกินอาหารชนิดที่ปรุงอย่างดีแต่นี้ทําไมเศรษฐีนี่ร่ารวยขนาดนี้ก็ยังกินปลายข้าวกับน้ําผักดองเสื้อผ้าเขาก็เอาผ้าเนื้อหยาบ สชิ้นมาต่อกันให้เป็นผืนใหญนะ่ในสมัยก่อนคนอินเดียเวลาเขาไปไหนเขาจะมีผ้าคลุมนะที่จะคลุมไปในภายนอกบ้านซึ่งผ้าคลุมผืนที่เขาใช้นั้นก็เป็นเอาผ้า3ามผืนมาต่อกันนะเหมือนกับจีวรของพระอย่างเนี้ยเอาผ้าหลายๆผืนมาต่อๆกันนะที่ว่าต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าผ้ามันขาดนะผ้ามันไม่พอนะมีแต่เศษผ้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นผ้าเนื้อหยาบด้วยทำไมไม่ใช้ผ้าผืนเต็มๆดีๆ เหมนเต็มๆที่มันทอมาอย่างดีเป็นการเฉพาะอันนี้ก็คือข้อที่2และข้อที่3นั้นภาหนะที่เขาใช้เดินทางไปแต่ของทั้งเศรษฐีทั้งสองคนนี่มีสภาพเหมือนกันก็คือว่าเป็นรถเก่าๆ เ, เป็นรถที่เทียมไว้ด้วยไม้ไผ่ลหลังคาที่กั้นร่มของรถนี้ก็เหมือนเอาใบไม้มาต่อๆกันทำเป็นใบไม้โครงมันก็จะหักไม่หักแลก็เอาไม้ไผ่มาดามไว้ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบตัวนี้ท่านฟังเปรียบเหมือนกับสระน้ําใบหนึ่งที่มีน้ําใสไหลเย็นจืดสนิทมีถ้าน้ําราบเรียบเป็นนั้นดีน่าเพลินใจแต่ว่าสระน้ําใบนี้แม่มันดันไปอยู่ในบริเวณที่มีอนมนุษย์อยู่ชุกชุมอนะมนุษย์ก็เช่นผียักษ์หรืออะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์นะเป็นพวกเป็นสิ่งที่มันจะมาทําอันตรายมนุษย์ได้ มนุษย์จะเข้าไปใช้สระน้ำใบนี้ในการบริโภคการอาบการดื่มการใช้สอยก็ใช้ไม่ได้คือมีสระอยู่ก็จริงแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะว่าเข้าไปใช้ไม่ได้อันนี้คือเปรียบเหมือนกับคนที่มีทรัพย์สินเงินทองอยู่แต่ว่าเขียมตะหนีนะครับว่าตะหนีเนี่ยหมายถึงห่วงแหนเอาไว้แนี่ไม่ยอมเอาออกใช้เพราะไม่ได้ใช้ห่วงแหนเอาไว้ มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์นั้นบุตรภรยามารดาบิดาเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็ไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพนั้นถึงเวลามันก็สูญหายไปเปล่าๆเฉยๆถูกประชาชาญญยึดทรัพย์ไปบ้างอย่างกรณีนี้หรือว่าในบางครั้งบางคราวเนื่นองจากว่าทรัพย์สมบัตินี้มันเป็นสาธารณากับสิ่งอื่นๆลูกเต้า อ, อาจจะแย่งทาลายไปบ้างน้ําภัยธรรมชาติต่างๆมาพัดไปไฟ ไม่ทำลายทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นและทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีอยู่ก็เหมือนไม่มีแทนที่จะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็กลับสูญหายเปล่าไปเฉยเวลาที่บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นแมีอยู่แต่ว่าตรนี่เอาไวา้ไม่รู้จักเอาออกใช้แลตายไปก็เหมือนไม่มีอะไรไม่ได้เกิดประโยชน์จากทรัพย์นั้นคือการที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างหลายประเด็น พระเจ้าแบ่งไว้อยู่ทั้งหมด4ส่วนจำเปันส่วนแรกก็คือการที่ทำตัวเองทำบรรดาบิดาบุตรภรยาและคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยให้เป็นสุขให้อิ่มนำจากทรัพย์ที่เรามีส่วนที่2อนั้นก็คือต้องมีการแบ่งจ่ายเก็บเอาไว้สำหรับในยามคราวลำบากบ้างหรือว่าแบ่งไว้ในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือแบ่งไว้ในเวลาที่ลงทุนอะไรต่างๆนี่คือส่วนที่2 ส่วนที่3นั้นก็คือนําออกในการที่จะสงเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองสงเคราะห์คนอื่นๆสงเคราะห์ญาติแบบให้เปล่าแต่ส่วนที่4นั้นก็คือในการทําบุญให้กับเนื้อนาบุ่นคือสมณพราหมที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแบ่งใจทรัพย์4ส่วนอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ทรัพย์นั้นถึงการใช้สอยถึงการบริโภคอย่างเหมาะสมคือส่วนแรกจะใช้ในการที่กินอยู่บริหารจัดการในครัวเรือนในครอบครัวให้เป็นไปอย่างดี ส่วนที่สก็เก็บไว้ใเผื่อในเวลามีอันตรายหรือว่าในการที่จะลงทุนหรือทาสิ่งใดๆส่วนที่3ก็คือการให้ในบุคคล ท, ทั่วๆไปให้ญาติบ้างให้บุคคลที่สมควรให้บ้างส่วนที่4นั้นคือการให้ในเนื้อนาบุญเนื่อเฉพาะเจาะจงลงไปถ้ามีการทํา4ส่วนนี้ดีแน่นอนนทรัพย์นั้นก็จะเหมือนกับสะบระบบกกรณีที่มีน้ําใสเย็นมีท่าน้ําราบเรียบแล้วก็มีคนไปใช้งานมีการใช้สอยมีการตักน้ําไปใช้ไปอาบไปดื่ม แนั่นก็ดีแั่ก็เรียกว่ามีการใช้สอยมีก็เหมือนมีมีแล้วได้ใช้อันนี้มันดีพระราชาก็จะริบไปไม่ได้ซิ่งอื่นที่จะทําให้ทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้เสียหายไปก็จะไม่ได้ส่วนในกรณีที่สองที่พูดถึงเศรษฐีคนที่สองดีเขามีทรัพย์สินสมบัติมากมายแต่ว่าไม่ได้ใช้เนื่จากผลของกรรมเก่าที่ทําให้เขาไม่รู้สึกยินดีในทรัพย์สินที่จะต้องเกิดขึ้นจากเงินนั้นเน่องจากว่าเขาเนี่ยไป ทวายอาหารบินาบาทในพระประเจกบุทธเจ้าในชาติก่รกตนุนแต่ไม่ได้บุญเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลในพระประเจกบุรธเจาในที่นี้ท่านกา็อธิบายเอาไว้ว่าเพิ่งออกจากสมาบัติมาเป็นเนื้อนาบุญเต็มที่เลยคนที่เอาอาหารไปให้ที่เป็นลูกน้องก็คือภรรยาของเศรษฐีนั่นแหละจะเตรียมอาหารอย่างดีอย่างประณีตให้ไปในบาทของพระประเจกบุทธเจ้าจะกลับไปชั้นที่ที่อยู่ของตัวเองเศรษฐีนั้นกลับมาเห็นพอดี เน่ได้กลิ่นอาหารที่ออกจากบานแล้วรู้สึกแหมมันเสียดายเสียดายเราไม่น่าจะให้ไปเลยแต่คิดแค่นี้ทํานผู้ฟังทําให้บุญ น, นั้นมีความเศร้าหมองทรา์สินสมบัติที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของบุญ น, นั้นแล้วก็เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีมีแล้วไม่ได้ใช้ใจ่ายไม่ได้หาเพิ่มไม่ได้ทําความบํารุงเลี้ยงให้มันเป็นอันที่มันจะดีขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะเสียไปเฉย ที่พระเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังฝั่งนําประสูตรนี้มาบอกกล่าวเนี่ยเราต้องการที่จะให้เราลองคิดดูนะเราลองคิดดูแต่ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราเรงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราจะเป็นเงินสดก็ตามเป็นที่อยู่ในธนาคารก็ตามเอ่อเป็นสินเชื่อหรือว่าสินท ร, รัพย์อย่างอื่นอาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นอสังหาริมาท ร, รัพย์อาจจะเป็นท ร, รัพย์สมบัติเป็นตราสารหนี้หรือว่าเป็นหุ้นหรือเป็นอะไรก็ตามจะเป็นในรูปของเงินสด หรือว่าเป็นในรูปของสินทรัพย์อย่างอื่นๆก็ตามเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงๆหรือเปล่ามันมีอยู่จริงๆหรือเปล่าถามตัวเองตรงนี้ดูมันมีหรือมันไม่มีกันแน่ถ้ามีแล้วไม่ได้ใช้ใส่ให้เกิดประโยชน์ไม่รู้จักมีการแบ่งใจทรัพย์อย่างดีอย่างที่พูดถึงในกรณี น, นี้ส่วนนี้เก็บก็ต้องเก็บส่วนนี้ใช้ก็ใช้ส่วนนี้นําออกบริจาคออกก็ใช้ไป ส่วนนี้จะทําบุญสร้างกุศลก็ทําไปแต่ถ้ามีการใช้ใจ่ายอย่างนี้แตนะถือว่าคุณมีทรัพย์อย่างดีแต่ถ้าไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันก็จะเสียดายท่านผู้ฟังเสียดายข้าพเจ้ารู้จักสุภาพิตรีอยู่ท่านหนึ่งอายุ39ปีมีเงินหลายล้านบาทแต่ว่าเงินหลายล้านบาทที่มีนั้นแต่ไม่ได้ถูกแบ่งจ่ายอย่างดีแต่ไม่ได้มีการทําบุญแต่ทุกอย่างเก็บหมดไม่ได้มีการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยทรัพย์เหล่านั้น นั้นปรากบว่าสุภาพสตรีท่านนี้ก็เสียชีวิตไปในเมื่อสองวันที่แล้วแต่ทรัพย์สินสมบัติที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาไปด้วยไม่ได้เลยเหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่าบุญนั้นไม่ได้เกิดจากทรัพย์สินสมบัติที่ตัวเองมีนั้นเลยพอเวลาตายไปเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวเงินที่มีจะเป็นทรัพย์สินทั้งหมดเลยล่ะเงินสยก็ตามที่ดินก็ตามหุ้น ราษฎรนี้ต่างๆก็ต้องจิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งสิน้นก็มีคนอื่นมาเอาไปตัวเองก็ไม่มีลูกแล้วก็ต้องมาพยาญาติพี่น้องหรือว่าคนอื่นๆถ้าไม่มีญาติพี่น้องเขาก็เอาเข้าคลังหลวงเป็นลักษณะนี้เลยว่าไอ้มีที่เก็บไว้เนี่ยเพราะถึงจุดที่จะตายท่านฟังทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นจะทําให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้มีการบริหารจัดการแบ่งใจทรัพอย่างดีแล่วมันก็เป็นสิ่งที่จะต้อง หายไปตายไปจากไปแต่อน้อยเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังเราเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นบุญให้เป็นกุศลคืออันนี้ข้าพระชาไม่ใช่หมายความว่าอางั้นก็ช่วงนี้การกติมบดีเทให้หมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่้มีการแบ่งจ่ายอย่างดีในใ้มีการคิดว่าเออทรัพย์สินสมบั ต, ติที่เรามีในตูทุกอย่างเนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรในะให้มันได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเราเงินซื้ออาหารให้ลูกกิน ให้มาดาบิดากินพวกนี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิน้นมีการแบ่งใจทรัพย์อยู่อย่างถูกต้องแต่ส่วนที่เก็บเอาไว้ที่เผื่อว่าจะมีภายในอนาคตอันนั้นก็เป็นบุญนะเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่มีความร้อนใจแต่จากทรัพย์ที่เก็บอยู่ตรงนั้นนั่นก็เป็นใจที่ดีแต่ถ้าทรัพย์ที่เก็บอยู่แล้วเรามีความตระณีมีการห่วงกันนั่นนี่แหละคือความที่จะมีความเดือดร้อนใจว่าเ ก, วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มีอยู่ก็เหมือนเก็บไฟไว้เผาตัวเองจเจ้าออกใช้ แล้วก็ไม่สามารถสะละปล่อยวางได้เราจรึงต้องมาคิดทบทวนพิจารณาดูเพรา ะ, ะว่าความตายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนถึงจุดที่มันจะรีเซ t ตถึงจุดที่มันจะต้องเริ่มต้นใหม่อะไรที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยมันเริ่มใหม่หมดเวลาที่เราตายนะเมื่อนเงินที่เราเก็บสะสมไว้ทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่หมดอย่าเวลาที่เราเกิดมาใหม่ๆเราโตมาเกิดมาจากคันบัรดา เงินแม้บาทเดียวก็ไม่ได้ออกมาด้วยมีแต่บุญและบาปที่ติดตามมาติดตามมาแล้วบุญและบาปนั้นก็แปลงออกมาเป็นทรัพย์สินสมบัติในรูปต่างๆบ้างแปลงออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาบ้างดูดีบ้างกี่เร่บ้างสวยงามบ้างแปลงออมาเป็นสมบัติที่อยู่ภายนอกบ้างอาจจะเป็นหนี้บ้างเป็นสมบัติบ้างก็แปลงออกมาจากบุญจากบาปที่เราเก็บสะสมพออปูนเอาไว้ เวลาที่เราจะตายท่านผู้ฟังขอให้ได้กําไรแต่ในชีวิตนี้นายาขาดทุนแต่บางคนคิดว่าเออฉันจากไม่มีอะไรแต่ฉันทำเงินไม่ได้มีเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านคิดว่าชีวิตนี้จะมีกําไรแต่ไอ้ที่มันมีเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าหรือมันไม่มีทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยมีบุญอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือไม่มีบุญเพราะว่าชีวิตนี้เราจะไปจากโลกนี้ไปไปในโลกหน้า เงินทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเราเอาไปไม่ได้เลยสิ่งใดที่หวงแขนที่รักเอาไว้เอาไปไม่ได้เลยสิ่งที่จะติดตัวเราไปนั้นคือบุญคือกุศลที่เราสร้างสมไว้ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราทําบุญสร้างบุญให้เกิดขึ้นในใจของเราแบ่งใจทรัพย์ให้ดีและทําการงานอย่างขยันการแข็งรู้จักเลี้ยงดูมารดาบิดา รู้จัในการที่จะพูดดีคิดดีทำดีํำสังคมนี้ให้มันจเจริญก้าวหน้าต้ามีลูกมีเต้าก็สั่งสอนให้มันเป็นคนดีแต่้ามีเพื่อนร่วมงานก็มีเมตตาต่อกันเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่ต่อกันถ้าในวิชาทีนี้เราจะจากโลกนี้ไปแล้เราอย่างน้อยยังมีกำไรยังมีกำไรคือบุญคือกุศลที่มากกว่าเพิ่มขึ้นจากตอนที่เราเกิดมาให้เรามีกำไรอย่างนี้ในเราพิจารณาอย่างนี้ เพราะว่าจุดที่มันจะรีเซ็ตจุดที่เราจะเริ่มใหม่จุดที่เราอะไรที่เราสั่งสมมาพ่อปูนมาเนี่ยกี่ว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชื่อเสียงก็ตามเป็นทรัพย์สมบัติก็ตามแต่มันต้องมีจุดรีเซ็ตมันต้องมีจุดที่เราจะเริ่มใหม่เมื่อจุดนั้นมาถึงบางอย่างก็เอาไปไม่ด้วยไม่ได้เช่นชื่อเสียงเช่นเงินทองแต่บางอย่างเอาไปด้วยได้นั่นคือบุญคือบาปที่เราทําณวินาทีนี้แหละเราทําตอนนี้ ชีวิตที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีอยู่อย่างมีความหมายกต่บ ค, คนก็จะไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรจนจะรู้เมื่อตัวเองใกล้จะตายแล้วหรือตายไปแล้วแต่ตายไปแล้วจะมานึกเสียดายภายหลังว่าโอ้แหมฉันน่าจะทําตรงนั้นฉันน่าจะทําตรงนี้ฉันน่านจะสร้างบุญมากกว่านี้ฉันน่านจะสร้างกุศลมากกว่านี้แต่ถ้าพบว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลทําตอนนี้พูดดีคิดดีทดําดีทำกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา ปฏิบัติด้วยใจที่มีเมตตาแล้วเราตายไปเราก็จะไม่เสียใจสิ่งไหนที่เราเอาไปด้วยไม่ได้มันก็ทิ้งไว้กับโลกแต่สิ่งที่จะติดไปกับเราด้วยได้คือสิ่งที่เราทําไว้ณตอนนี้คือเรื่องของบุญคือเรื่องของบาปให้สร้างบุญให้ดีพระราชาตรัสไว้ตรงนี้ตรงฟังบอกว่าบุคคลใดที่กทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจกรรมนั้นจะเป็นสมบัติของเขา กรึ่นั้นย่อมติดตามบุคคลนั้นไปดุดเงาติดตามตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําในปัจจุบันตัวเลขที่อยู่ในบัญชีธนาคารอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงกรรมดีที่เรามีที่กัปพเจ้าให้เปิดกระเป๋าดูนี่คือดูบัญชีบุญดูบัญชีบาปว่าบัญชีบุญบัญชีบาปเนี่ยเรามีมากหรือน้อยขนาดไหนแล้วสั่งสมกรรมดีให้มากขึ้นบุคคลที่ทํากรรมดี สะสมกรรมดีไว้นี่แหละจะเป็นสมบัติในโลกนี้เป็นสมบัติในโลกหน้าบุญกุศลนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราในโลกหน้าจเจริญบอน